ทีนี้ผู้ที่ได้ชาญอย่างเงี้ยนะทีนี้เขาก็มีว่ากรรมฐานที่จะต่อชาญได้คือกสินที่จะต่อรู ป, ปรชาญได้กรสินแประการก็แบ่งเป็นว่ า, าธาตุกสินสี 4, วันณะกรสินสี 4. พวกนี้ก็เอาเป็นประดับปฏิภาค่ามิตนะปฏิภาค่ามิตแล้วก็ชาญก็ต้องเป็นระดับ จะตุทชาญซึ่งมีองค์สองประกอบด้วยอุเบคากับเอกคตาอันนะั้นคือคืออันนี้พูดถึงรูปฌปานก่อนนะจะตุทชาญแบบรูปฌานซึ่งมีนิมิตอ่เอ า, เอ า, เอาพรอมวิหารอนาปาเนี่ยไม่พูดถึงเพราะว่ามันต่อรูปฌานไม่ได้มันเฉพาะ กสินเท่านั้นที่จะต่อรูปประชานได้เขาก็ได้เอาอูเบขากับเอกกตาเข้าฌานอันนี้จนจนชำนานใช่ไหมก็ทำวสีได้อย่างที่กล่าวไปพอทาวสีได้เนี่ยนะหนึ่งมาพิจารณาโทษของรูปประชานเนี่ยนะเรียกว่าเอ่อเห็นโทษของรูปประชานเห็นโทษของปฏิฆะสัญญาสิบ เ, เห็นโทษของนานัตตะสัญญา44เพราะว่าเขาต้องอละรูปประสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตะสัญญาจึงจะเข้าอาคาสา น, นจายจะตะนะหนัได้พื้นฐานเขาต้องเห็นโทษของรูปฌปานก่อนนั่นก็านหนึ่งถึงชานสเนี่ยนันน่เพราะถ้ายังอาไยอาวรนในรูปฌปานอยู่ก็ไม่ต้องพูดถึง แล้วก็คือเห็นโทษวราเฮ้เนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่ในเนี่ยมันมีรูปรูปเนี่ยมันเดือดร้อนวุ่นกับรูปมันมีการวุ่นวายการพูดคุยกันคลุกคลีกันน่ารำคาญเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเห็นภัยของรูปพอเห็นภัยของรูปทั้งรูปประชานทั้งกุศลวิบากกิริยาเห็นโทษหมดเห็นโทษเสร็จก็เห็นโทษของทวิปัญจด้วยนะปฏิฆาสัญญาสิบเป็นทวิปัญจเห็นโทษของจิตเจตสิกในการเห็นการได้ยินหมดเลยในทวิปัญจะ10 จริงๆถึงเป็นพร om ก็ยังเห็นได้ยินอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งนั้นสจำนวนว่าจะตัดการสื่อสารกับคุกคนไม่ต้องการสื่อสารกับใครเนี่ยอันนี้เรียกว่าเห็นโทษของปฏิฆาสัญญาแล้วเห็นโทษของนานัตตาสัญญาเห็นโทษของความคิดนะคืออกุศลนสบสอกามาวจรสโสลณจิต24เท่ากับ สี่ี่ก็เห็นโทษของความคิดทุกชนิดคำว่านานัตตาแปลว่ามันรู้ทั่ ว, วไปหมดอ่ ะ, อะสัญญาแปลว่าความสําคัญรู้ปฏิฆะก็อาศัยการกระทบถ้านานัตตาก็คือรับรู้เรื่องราวต่างๆ น, นะไม่ต้องไปรับรู้นั้นเบื่อเห็นโทษของพวกนี้ทั้งหมดเห็นโทษของของรูปปัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตาสัญญาแปลว่าเห็นโทษกา ม, มาวาจรจิตรูปาวาจรจิตหมดเลยพอเห็นโทษอย่างนี้เขา้าเขาก็มา ขยายกสินเนี่ยนะพอพอพอเห็นมาพิจารณาเห็นโทษด้วยหมากุศลเนี่ยนะกุศลเนี่ยเห็นโทษก็เอากุศกก็มาเข้าฌานพิจารณาฌานออกจากฌานปั๊บก็มาขยายกสินย่อกสินขยายกสินเนี่ยปฏิภาคนิมิตซึ่งพื้นฐานได้ฌานสี่อยู่แล้วแล้วก็มีบาลีว่ากรสินุคาติมากาด กระสินุคาติมาอากาศเนี่ยนะแปลว่าอากาศที่เกิดจากการเพิกกสินนะอากาศที่มาจากการเพิกกสินคําว่าเพิกมกสินหมายถึงว่าเขาก็ขยายกสินเนี่ยให้มันกว้างขวางแล้วแต่ขยายได้นะขยายได้ทั้งจักรวาลหรืออะไรก็ว่าไปขยายภาพกสินมากก็ไม่ใส่ใจโดยความเป็นกสินไม่ใส่ใจว่ากสินว่านั่นอากาศอากาศโสอนันโตอากาศอันนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอากาศพิเศษที่เป็นอากาศจากมาจากการเพิกกสินแหละปะมาเหมือนกับว่าเหมือนกับภาพเป็นจอใหญ่ๆขยายให้มันกว้างนะสีขาวทั้งโลกแล้วไม่ไม่ใส่ใจหรือเพิกสีขาวไม่ใส่ใจสีขาวใส่ใจว่าอากาศอากาศโซอนันโตนั่นนะอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดก็เข้าอากาศอันนั้นอนะ่ะปรารบอากาศแล้วทําฌานให้ได้ฌานอันนี้จะเป็นอรูปฌ า, านที่หนึ่ง อันนั้นอรูปประชานที่หนึ่ ง, งก็คือเอาใหม่นะได้ชาน4ี่ออกจากชานสี่ก็อาศัยกสินอันนั้นแหละแล้วก็ออกจากด้วยอุปจาระก็ขยายกสินให้มันกว้างเท่าที่จะทําได้ที่สุดแล้วไม่ใส่ใจในในในวันโดยความเป็นกสินไม่สนใจว่ามันกสินใส่ใจว่าเป็นอากาศแทนอันนัเรียกว่าเหมือนกับสำนวน ว, นว่าโอ้โหขยายไปใหญ่และฉีกทิ้งเลยเหลือแต่อากาศนั่นก็ ทำกับใส่ใจในอากาศอันนั้นแหละให้มันได้ฌานอีกฌานอันนี้จะเป็นอรูปฌานที่หนึ่งและต้องขยายให้มันใหญ่ไนหะปกติก็จะขยายใหญ่ต้องขยายใหญ่ยไม่ทราบนะคือถ้าไม่ขยายใหญ่กว้างขวางเดี๋ยวมันก็สำคัญอันนั้นอันนั้นอ น, นี้ก็ขยายให้มันหมดเลยว่าทุกอย่างมีแต่อากาศหมดเลยอากาศอากาศอากา ศ, า ก, าศก็ทําให้ได้ฌานเข้าให้ได้ระดับฌานจะเทียบระดับกับฌานที่สี่ เข้าเข้าให้ได้อัปปนาสมาธิแต่จะเป็นระดับที่สีโดยที่มีอากาศเป็นอารมณ์ไม่ใช่อโลกะกะสินนะอันนี้เป็นอากาศแต่เป็นอากาศที่มาจากการไม่ใส่ใจในกสินคือขยายกสินไปแล้วแลวไม่ใส่ใจโดยความเป็นกสินอันนี้จะเป็นอรูปฌปานที่หนนะึ่งะนใครที่ได้อย่างนี้เรียกสมาบัตห6นะเนยนะนนนะโเรียนวันเดียวนี่จะเห้กี่สมาบัตก็ได้ ่ไม่ต้องมาอยู่ดังนึงน่ะเอาชานเมาต่อแล้วมาใช้นี่ก็เป็นานเอาูประานยเลย <S <S เลยเอาเอาชานสีเลยเอาตรงกลามาเอารูปประานเยถ้าๆๆเป็นนักกีฬาก็จะหมายจะขอเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแล้วระดับโรงเรียนระดับชาติไม่เอาจะเอาแต่โอลิมปิกอย่างเดียว ใช่กาชั้นสูงสุดแล้วไปถึงระดับน้อยแล้วมันก็ยากแล้วปัญหายากมันเรเก่งนี่แหละนี่นีน่อรูปฌานที่หนึ่งกัอนเอ อ, เ อ, อขออภัยสมาบัติ5านะท้าจะเรียกสมาบั ต, 5. ติ5ทีนี้ต่อไปนะัผู้ที่ได้ฌานอย่างนี้ก็เข้าฌานอย่างนี้ให้ได้ชนานาญอีกนะชนาญในการเข้าชนานาญในการออกชนานาญในการนึกนะเข้าฌานอย่างนี้จนชนานาญมาก ก็มาพิจรารณาก็บอกว่าการเห็นการใส่ใจในอากาศมันก็ยังใกล้ต่อฌานใกล้ต่อรูปฌ า, าน อ, อยู่ดีนะมันใกล้ต่อรูปมากเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่จะเสื่อมกลับไปอยู่รูปฌ า, านตามเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่เจริญแบบนั้นเลย ม, ม, มหากุรุสันใหม่ก็ปรารถขึ้นว่าการมาปรารถอากาศแบบนี้เนี่ยมันใกล้ต่อรูปฌ า, านมากาะฉะนั้นก็กําหนดอันนี้แทน มากําหนดไอ้อากาสารันจายตนะแทนว่าจิตอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดตัวจิตที่ไปกําหนดอากาศอันนั้นนะวิญญาณนังอนันตังวิญญาณังอนันตังว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดก็กําหนดถึงมีอรูปประชามที่สองมีอรูปประชามที่หนึ่งเป็นอารมณ์นะก็คือเนี่ยมากําหนดไออรูปประชามที่หนึ่ง แล้วก็ทำอย่างนี้จนเป็นฌานอีกโดยที่มีรูปฌานที่หนึ่งเป็นอารมณ์เรียกว่าว an ิญญาณัญจายตนะก็ทำให้ได้องค์อารูปฌานที่หนึ่งมีอากาศเป็นอารมณ์อารูปฌานที่สองมีารูปฌานที่หนึ่งเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่างกำหนดจิตเลย <c oughs> อากาศรำตัวว่าอันนี้มากำหนดจิตอันนั้นอ่ะเป็นอารมณ์ คือมากําหนดจิต ท, ที่ได้ฌานที่ได้อารูปฌานนั่นแหละก็แบ่งเป็นอารูปฌานกับจิตใช่ไหมกับอารมณ์ไหมอารูป อ, อากาศที่เกิดจากการเพิกกรสินสรุปนะอากาศเป็นอารมณ์ของฌานที่หนึ่งอรูปฌานที่หนึ่งทีนี้บอกว่าอากาศมันใกล้ต่อรูปฌานมากเกินไปเพราะนนั้เห็นโทษและวไอ้ฌานอันเนี้ยเห็นโทษทีนี้ก็เลยต้องการฌานที่สูงกว่านั้นก็คือ ด้วยอกุศลเนี่ยกุศลก็มาฝึกเจริญกําหนดอันนี้เป็นอารมณ์แล้วทํากําหนดอารมณ์มันนี้ให้ได้ชาญอีกครั้งหนึ่งทําชาญให้ได้การได้ชาญนี้เรียกว่ารูปฌานที่สองหรือว่าวิญญาณันจายตรนะหนันะกําหนดว่าไอ้วิญญาณอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณนางอนันตังวิญญาณนางอนันตังคนที่ชํานาญอาจจะภายไม่กี่ชั่วโมงก็ทําได้หมดนะคนที่ฉันไม่ชํานาญก็ฝึกหลายชาตินะ นี่ต่อไปบอกแม่อรู ป, ประชามที่สองมันก็ยังใกล้ต่ออรู ป, ประชามที่หนึ่งอีกอยู่ดีเพราะมันต้องไปกําหนดจิตที่ไปกําหนดรู ป, ประชานที่หนึ่งมันก็เลยเห็นโทษว่ามันใกล้เกินไปนี่ก็กุศลก็เกิดขึ้นมหากุศลเกิดขึ้นปารคก่อนนัตถิกินจิบอกว่าฌานอันนี้ก็ไม่มีไม่สนใจสนใจในความไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งอุปมาณเหมือนกับว่าอรู ป, ประชามที่สองเนี่ยนะ เหมือนกับว่าสมมติว่าอันนี้เป็นวัดวัดหนึ่งหรือเป็นโบสถ์ก็ได้มีผู้ประชุมกันเต็มโบสถ์ไปหมดก็บอกเออมันพอพอออกนะต้องการชาญในหลงบอกเหมือนกับว่าจิตเจตสิกเดินออกไปหมดไม่มีอะไรเลยในนั้นไม่มีจิตไม่มีเจตสิกเลยนัตถิกินจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเป็นนัตเป็นอากินจัญญายจะตะนะไม่สนไม่ไม่ได้ประ คือไม่ใส่ใจในความเป็นจิตเจตสิกตรงนั้น่ะไม่ใส่ว่าใจว่าเป็นจิตเจตสิกอันนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะเข้าอย่างเงี้จนให้ได้ฌานทาฌานให้ได้โดยที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์อันนี้เป็นบัญญัตินะนัตถิกินจีเนี่ยเป็นบัญญัติมีบัญญัติเป็นอารมณ์ส่วนอรูปฌานที่สองนี่มีประมาทเป็นอารมณ์อันนี้ก็คือเป็นบัญญัติในความไม่มีจิตและเจตสิก แต่ถ้าต้อ ง, ต, องต่อจากอันนี้ได้อันนี้ก่อนนะแล้วไม่ใส่ใจว่าเป็นจิตเจตสิกก็ทําให้ได้ฌานโดยที่เรียกว่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นในอรูปฌานที่สาก็จะไม่มีของของอรูปฌานใดคือมไม่ใส่ใจไงไม่ใส่ใจว่านักที่กินจิไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีดี๋ยคือที่พระโพธิสัตว์อะไรนะพระโพธิสัตว์ท่านได้อากินจันญาญาตนาใช่ไหมแล้วท่านก็ป่วย ป่วยจะตายสอนลูกศิษย์เนี่ยได้ฌานเยอะก็ <S <S 1> <S 1> หัวหน้าอาจนเออหัวหน้าลูกศิษย์เขาก็ได้ฌานแต่เขก็ไปที่อื่นก่อนไปหายาไปหาอะไรอาจารย์ก็อยู่ไปอยู่ว่าอาจารย์ก็ตายก่อนจะตายลูกศิษย์ก็มาถามว่าอาจารย์ได้อะไรบอกว่า อ, อะไรก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีหมายว่าไม่มีจิตเจตสิกเลยสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตายลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าลูกศิษย์นี่มีแต่โ ง, ง่ทั้งนั้นเลยที่อยู่ดูแลเนี่ยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยโออาจารย์ไม่ได้อะไรเลยนะอะไรก็ไม่มีนะ อาจารย์มันอะไรไม่มีนี่แปลว่าจิตเจตสิกไม่มีนัตถิกินจีอะไรก็ไม่มีหมายถึงอรูปฌานที่สมเพราะฉะนั้นเอออาจารย์ตายแล้วก็ตายก็ช่างไปะไรเพราะว่าไม่เห็นได้มีคุณธรรมอะไรสักอย่างอะนะเสร็จแล้วก็ปล่อยไม่ดูแลงานศพงานอะไรสักอย่างวันหน้าลูกศิษย์ก็มามาถามว่าอ้าอาจารย์ตายไปแล้วเหรอใช่บอกว่าแล้วถามอะไรม้างไหมก่อนตายอาจารย์บอกว่าอะไรก็ไม่มีไอ้ไม่มีของอาจารย์เนี่ยหมายถึง อากินจัญญายตนะที่ว่าบริกรรมว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนัดที่กินจิแบบนั้นเนอะอ๋อเหรอ <c oughs> แ, ลแล้วก็อาจารย์นั้นก็ทําชาจริงๆทําอารูปประชานให้เสื่อมก่อนจะตายก็เพราะพระโพธิสัตว์ไม่ไปอารูปประพรมอยู่แล้วนั้นก็เลยไปเป็นพรหมไปเป็นพรหมแล้วก็กลับลงมาบอกว่าคนโง่เนี่ยตั้งพันนี่ก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คนฉลาดคนเดียวยังมีประโยชน์กว่าแบานั้นก็ <c oughs> คือหัวหน้าสิทธ์นั้นก็คือภาษาลิบุตรนั่นแหะ อดีตชาตินะรวัตนัติกินจิอะไรก็ไม่มีแต่ว่าได้ขนาดนี้แล้วนะคอยพูดว่ามันไม่มีมว่าคือก็นึกว่าฉลาดไงก็นึกว่ารู้กันแล้วที่ไหนได้ทีนี้ถ้าถ้าทำอันนี้จนได้ชาญใช่ไหมก็เป็นอรูปฌปานที่สาม อรูปประชามที่สามก็บอกแม่การสนใจในอากาศมันก็ใกล้ต่อวิญญาณันใจยตนาเกินไปเสื่อมก็ทํากุศลขึ้นมาใหม่ทํากุศลก็มากุศลอันนี้มากําหนดอรูปประชามที่สามบอกว่าอันนี้จะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จิตอดวงที่อรูปที่สามเนี่ยกำหนดจิตเจตสิกันนั่นแหละจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็ทําไม่ได้อรูปประชามที่สี่อารูปประชามที่สี่มีอารูปประชามที่3มเป็นอารมณ์ อันนี้มีประมัตดเป็นอารมณ์นี่ยนะอันนี้มีประมัดเป็นอารมณ์คือมีรูปฌานที่สามว่าจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้จิตนี้จะประณีตที่สุดเรียกว่าถึงพวะคพรมแล้วว่างั้นแหะเรียกว่าภวะคจิตภวัธรรมเนี่ย น, นี่มันสูงสุดประณีตที่สุดแล้วจะว่ามีก็ไม่ใช่เพราะไอ้ห ย, ยับหยาบไม่มีอีกแล้วจะว่าไม่มีก็ยังพอมีก็เขามีอย่างนี้นะ ออุปมาให้ฟังอจานคุณวิลาวันมันเปื้อนน้ํามันเปื้อนน้ํามันอะไรน้ำมันกุ๊กน้ำมันอะไรใช่ไหมเอาจานมาบอกมันมีน้ํามันเออเอามาจะเจียวไข่คุณลาวันจะว่าไงว่าไปเรื่อยเอาเอางี้นะ เออเอาแก้วนั้นมาก็บอกแก้วนี้มีน้ําเออเอามาจะดื่มสมมติว่าแก้วมันแค่มีน้ําหยดหยดติดตเฉยเเนี่ยนะพอให้รู้ว่ามันมีน้ําแต่บอกเอาน้ํามาเดี๋ยวจะดื่มเขาบอกว่าเอาแก้วมาบอกมันมีน้ําอ่ะเอเอเอาน้ามาจะดื่มพอแล้วไ ม, ม่ยอมเข้าใจที่ว่าเลยนะะ่อันนี้นะสมมุติว่าเอาเอาหยิบจานมา เอาเป็นพระก็ได้มีบาทอยู่ใบหนึ่งเอาเน้นเอาบาทมาทีนี้บาทนั้นอะเพิ่งลูบเอาน้ามันไปลปูบลไว้บอกอาจารย์บาทมีน้ํามันเออเอามาจะฉันน้ำมันนั่นแหละก็บอกว่าจะว่าไม่มีมันก็มีไอ้จะว่ามีมันก็ไม่พอดื่มได้อะจะว่าไงเอาก็บอกนะเอาบาทมาบอกบาทมีขนมเหมือนกันขนมมามันติเศษอยู่หน่อยหนึอยอยน่ง ไม่พอกินได้เหรออันนี้เขาอุปมาในความว่าจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ไอ้ว่ามีอาจจะว่าไม่มีมันก็มีหน่อยๆจะว่ามีมันก็ไม่พอใช้งานได้เขาอุปมาอันนี้เอาไป <c oughs> ไปคุยกับคุณเจ้าอมา มาก็ไม่รู้จะว่าไงนะงนข้อที่สี่ก็เนวะสัญญาณสัญญาญตะนะ